พระอนุบัญญัติสามอันหนึ่งภิกษุใด ย, ยังไม่ถึงครึ่งเดือนอาบน้ําต้องอบัดปาจิตตีเว้นไว้แต่ในสมัยสมัยในข้อนั้นคือวงเล็บ1ท้ายฤดูร้อนหนึ่งเดือนครึ่งและเดือนแรกแห่งฤดูฝนรวมเป็น2เดือนครึ่งเป็นสมัยที่ร้อนเป็นสมัยที่อบอ้าววงเล็บสองสมัยที่เป็นไข้วงเล็บสมสมัยที่ทํางานวงเล็บ4ี่สมัยที่เดินทางไกล วงเล็บ5้าสมัยที่มีพายุปุ่นนี้เป็นสมัยในข้อนั้น